สังเกตไหมเมื่อเช้านะอากาศครึ้มนะฝนตกหนักฟ้านี่เรียกว่าปิดแต่ว่าพอถึงตอนบ่ายนี่แดดจ้าเลยนะฟ้าใสนะเหมือนกับคนเรวันอย่างนั้นนะทั้งที่ก็วันเยือกนั่นแหละแต่ว่าบรรยากาศนีมันตรงข้ามกันเลยความทุกข์ของคนเราก็เหมือนกันนะ ใครที่มีความทุกข์เนี่ยนะให้ลองเตือนใจนะหรือบอกกับตัวเองอยู่เสมอนะว่ามันเป็นของชั่วคราวจิตใจคนเราเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันก็เหมือนกับฟ้าที่ครึ้มนะเต็มไปด้วยฝนที่ตกมากระหน่ำแรง แล้วก็อดไม่ได้ที่จะนึกว่ามันก็คงจะเป็นอย่างนี้ไปทั้งวันแต่จู่ๆนะฟาร์มก็เปิดสว่างแดดจ้านะภาวะอารมณ์หรือภาวะจิตใจของเรานะมันก็เป็นอย่างนั้นได้นะเวลาทุกเนี่ยก็ดูเหมือนว่ามันจะทุกไปอ่ช่วนิดนิดรันนะเวลาถูกความเศร้า นะความอาไอาวอนนี่มันครอบงำนะมันก็จะรู้สึกเลยนะว่าโอ้ยเหมือนกับว่าเราก็คงจะหม่นหมองนี้ไปไม่รู้อีกนานเท่าไหร่แต่ของพวกนี้มันก็ไม่แน่นอนมันแปลเปลี่ยนได้เร็วนะอารมณ์คนนะที่เปลี่ยนจากหม่นหมองมาเป็นเบิกบานสดชื่นเนี่ยมันสามารถที่จะ เปลี่ยนแปลงได้ย่างฉับไว้เหมือนกับพลิกหน้ามือเป็นหลังมือเลยก็ได้หรือว่าพลิกหลังมือเป็นหน้ามือนะเร็วกว่าดินฟ้าอากาศซะอีกแต่ไม่ใช่ว่ามันจะมันจะเกิดขึ้นเองนะมันก็ต้องมีเหตุมีปัจจัยมีตัวช่วยอย่างที่ได้เล่านะเมือ่อเมื่อวานนะว่าคนที่เขารู้สึก หมดอะไรตายอยากกับชีวิตนะท้อแท้เป็นทุกจนกระทั่งตัดสินใจฆ่าตัวตายแต่จู่ๆนะเขาก็เปลี่ยนใจนะรู้สึกว่าจิตมันสว่างหรือตื่นขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งมีความหวังเพราะอะไรเพราะเขาได้เห็นนะเห็นแสงเงินแสงทองนะทาทาบขอบฟ้าตอนที่จะ โ ด, ดลงมาจากตึกนะโ ด, ดลงมาจากระเบียงเพียงแค่แบบเดียวเนี่ยมันก็ทำให้จิตนี่เปลี่ยนได้เพราะว่าได้คิดว่าความมืดเนี่ยความทุกเนี่ยมันก็เหมือนกับความมืดในยามค่ำคืนนะมันไม่ใช่ว่าจะเป็นอย่างนี้ไปตลอดมืดอย่างถึงที่สุดมันก็ต้องสว่างการได้คิดแบบนี้ก็ทำให้จิตนี่พลิกได้เหมือนกัน จากที่รู้สึกว่าอยู่ไม่ไหวแล้วตายดีกว่านี่ก็เปลี่ยนมาเป็นใจที่มีนะกำลังนะมีกำลังใจที่จะอยู่ต่อแล้วก็ในสุดก็สามารถจะฟันฝ่าอุปสรรคไปได้ความเปลี่ยนของจิตเนี่ยหรือภาวะอารมณ์เนี่ยนะมันมันเร็วนะยิ่งกว่าดินฟ้าอากาศนะเสกนะมันตัวช่วยนี่ก็ ก็อาจจะได้แก่มุมมองนะมุมมองมีเพื่อนคนหนึ่งเป็นเป็นเจ้าของโรงเรียนอนุบาลแล้วตัวเธอเองก็ไม่ใช่แค่เป็นผู้บริหารก็มาเป็นครูด้วยก็มีความสุขหน้าการที่ได้อยู่กับเด็กตัวเล็กๆนะอนุบาลแต่ว่า มันก็มีสิ่งหนึ่งที่ทําให้ขัดใจและทําให้มีความทุกข์กับการเป็นครูอนุบาล น, นะก็คือพ่อแม่ของเด็กนะรวมทั้งปู่ย่าตายายของเด็กเนี่ยเขาก็คิดว่าให้เงินจ้างครูหรือว่าให้เงินนะแก่ทางโรงเรียนแล้วเนี่ยก็ถือว่าครูเนี่ยเป็นเหมือนคนใช้นะ ก็จะสั่งให้ทําโน่นทนํานี่นะไม่ได้มีความเคารพนะก็รู้สึก ง, งุดหงิดนะไม่พอใจแต่พอเขาเปลี่ยนมุมมองเท่านั้นแหละนะเขาก็กลับทํางานเป็นครูนุบานได้มีความสุขเขาเปลี่ยนมุมมองไงเขาเปลี่ยนว่าเขามองว่าเออผู้ใหญ่เหล่านี้เนี่ยพ่อแม่ของเด็กหรือว่าปู่ย่าตายายของเด็กเนี่ยนะเขารักลูกนะ เขารักหลานมากเหมือนกับแก้วตาดวงใจแต่การที่ให้ครูเนี่ยมาอยู่กับเด็กนะอยู่กับลูกหลานของเขาเนี่ยก็แสดงว่าเขาไว้ใจนะเขาไว้ใจให้เราเนี่ยมาอยู่มาสัมผัสนะมาดูแลลูกหลานของเขาพอมองแบบนี้นะความโกรธผู้ปกครองเนี่ยหายไปเลยนะ ที่เคยขุนมัวที่เคยทุกข์นะกับการอาสอนเด็กอนุบาลเนี่ยมันมันหายไปเลยเหลือแต่ความสนุกเหลือแต่ความสุขนะเนีย่ยเพียงแค่เปลี่ยน ม, มุมมองเท่านั้นนะจากการที่มองว่าเขาเนี่ยดูถูกเราเห็นว่าเอาเงินฟาดหัวเรานี่จะสั่งยังไงก็ได้มาเป็นมองอีกแง่นึงว่าเ อ, อเขาต้องไว้ใจเรามากทีเดียวนะ ไม่งั้นเนี่ยเขาไม่ให้เราเนี่ยมาดูแลลูกหลานหรือไม่เอาลูกหลานมาให้เราดูแลหรอกนะคนเราเนี่ยเวลามีความทุกข์นะส่วนหนึ่งมันก็เป็นพ่อมุมมองของเรานะที่มันเป็นมุมมองในแง่ลบแต่พอเรามองในแง่บวกปุ๊บเนี่ยมันหลุดเลยนะบางคนก็กรุมออกกุ้นใจนะตกงานนะแต่พอได้คิดว่าเออตอนนี้เราเป็นอิสระแล้ว เราจะมีเวลาเหลือเฟือที่จะไปดูแลพ่อแม่นะก่อนหน้านี้เนะี่ยมีงานงานดีก็จริงแต่ทำให้ไม่มีเวลาแม่บอกว่าเมื่อไหรจะไปเยี่ยมก็ไม่มีเวลาสงการก็ไม่ได้ไปนะแต่ตอนนี้เรามีเวลาแล้วมีเวลาเต็มที่เลยนะตกงานก็ดีเหมือนกันนะทำให้ได้มีเวลาไปดูแลท่านนะเพราะว่าท่านก็แก่แล้วเนะี่ย พอคิดแบบนี้ปุ๊มเนี่ยความทุกข์ที่หรือความหม่นมองนะที่เครือบคลุมจิตใจมันหายไปเลยเหมือนกับฟ้าที่มันสว่างนะให้เราต้องฉลาดนะในการที่จะเปลี่ยนอารมณ์ของเรานะการเปลี่ยนอารมณ์นะจากหม่นมอง เ, เป็นสว่างเบิกบา น, นนะมันก็ทำได้หลายวิธีนะ นอกจากการเปลี่ยนมุมมองที่ทางพุทธศาสนาเรียกว่าโยนิโสมัตสิกาลแล้วเนี่ยการใช้ตัวช่วยบางตัวเนี่ยเช่นเวลาโกรธมากๆเนี่ยเวลาโกรธเนี่ยจิตใจเราก็หมุนหมองนะโกรธเกลียดเนี่ยมันทั้งหมองมันทั้งร้อนนะแต่พอเราให้อภัยนะพอเราให้อภัยเข้าได้เนี่ยมันมันโล่งเลยนะอันนี้เรียกว่าใช้เมตตานะ เมตตาการให้อภัยนี่มันก็เป็นตัวเดียวกันอาจจะยังรักเข้าไม่ได้นะแต่ว่าการให้อภัยเนี่ยมันก็ช่วยทําให้ไอาอารมณ์ที่เผาล้นใจเนี่ยมันหลุดไปเลยนะหลายคนจะพอให้อภัยเสร็จก็จะรู้สึกเลยนะว่ามันเหมือนกับฟ้าเปิดหรือเหมือนกับว่าชีวิตใหม่เริ่มต้นอีกครั้งหนึ่งหลายคนจะเพูอคล้ายกันว่ารู้งี้เนี่ย ทำไปนานแล้วนะรู้งี้ทําไปนานแล้วการให้อาภาัยนี่มันไม่ได้ดีกับใครมันดีกับเรานะผู้ที่มีความโกรธนะแต่หลายคนนี่มองไม่ค่อยตันหนักเท่าไหร่นะไปคิดว่าฉันจะให้อาภัยได้ก็ต่อเมื่อเขามาขอโทษฉันนะคนที่คิดแบบนี้เนี่ยนะไม่รู้ตัวหรอกนะว่ากําลังถนอมความโกรธเอาไว้นะ และกําลังทําร้ายตัวเองเพราะว่าเวลามีความโกรธมีความพยาบามเนี่ยมันก็เหมือนว่าจิตใจมีแผลเวลาใจมีแผลเนี่ยนะเราก็ต้องรีบรักษาเหมือนกับร่างกายเราเนี่ยเวลามีบาดแผลหรือว่าไม่มีแผลแต่ว่ามันหักข้างในนะกระดูกหักเนี่ยสิ่งแรกที่เราต้องทําก็คือเยียวยารักษาตัวเอง สมมุติว่าเราเนี่ยโดนรถชนนะกลางถนนจนกระทั่งแขนหกัขหกขาหักหรือว่าอาจจะมีกระดูกไปทิ่มที่ปอดของเรานะหรือว่าที่ตับไตเนี่ยแล้วก็สมมุติว่ามีรถพยาบาล น, นะมารับเราเพราะมีคนแจ้งนะหนึ่งหกหกเก้าหนึ่งเก้าหนึ่งเนี่ยรถพยาบาลก็รีบ ม, มารับทันทีแต่สมมุติว่าเราเนี่ย นะไม่ยอมรับการช่วยเหลือไม่ยอมขึ้นรถพยาบาลแล้วก็บอกว่าฉันจะไม่ขึ้นรถพยาบาลฉันจะไม่ไปโรงพยาบาลจนกว่าคนที่ขับรถชนฉันแล้วหนีเนี่ยมาขอโทษฉันนะเราทำแบบนี้บ้างหรือเปล่านะสมมุติเราตกอยู่ในสาการแบบนั้นเนี่ยนะไม่มีใครทําอย่างนงั้นนะ ไม่มีใครบอกว่าเนี่ยฉันจะไม่ไปโรงพยาบาลเด็กขาดจนกว่าคนที่ขับรถชนท่านแล้วหนีเนี่ยกลับมาขอโทษฉันเขาจะมาขอโทษเมื่อไหร่เป็นเรื่องของเขานะแต่ว่าสิ่งที่เราต้องทำทันทีคือรีบนะไปโรงพยาบาลหรือว่ารีบรักษาตัวถ้ารักษาเองไม่ได้มีคนอยากจะช่วยแล้วก็ต้องนะให้ความร่วมมือเวลาแขนหนักขาหักเราไม่เคย ต่อรองว่าคนที่ทำฉันแขนหักขาหักต้องมาขอโทษฉันก่อนนะฉันถึงจะไปดามไปดามแขนดามขาฉันได้ก็ฉันนั้นนะเวลาใจเรามีแผลไม่ว่าเป็นเพราะใครทำร้ายด้วยคำพูดหรือการกระทำก็แล้วแต่เมื่อใจเรามีแผลนะอย่างแรกที่เราต้องทาก็คือเยียวยาจิตใจเราก่อนเยียวยายังไงนะ เยียวยาด้วยการให้อภัยเยาวยารักษากายนะขาหักแขนหักกระเพาะทะลุนี่ต้องพึ่งหมอนะแต่ว่าเยียวยาจิตใจนี่ไม่มีใครทำให้ได้นอกจากเราเองทำด้วยการให้อภัยการให้อภัยนี้ก็เหมือนกับเป็นยาสามบัตประจาใจนะ มียาสมัครประจําบ้านประจําวัดแล้วไม่พอนะต้องมียาสมัครประจําใจด้วยนั่นถ้าเกิดพอเราให้อภัยได้เนี่ยนั้นชีวิตเรานี่ก็เหมือนกับว่ามันสว่างโล่งเลยนะเพราะว่าไอความทุกข์หรือว่าสิ่งที่เผาล้นจิตใจมันก็จะดับหายนะอันนี้เป็นเรื่องของการใช้เมตตาเพื่อดับ ความโกรธหรือใช้การให้อภัยนะเพื่อดับความพยาบาทนะแต่ว่ามันยังมีตัวช่วย อ, อีกตัวหนึ่งนะซึ่งใช้ได้กับอารมณ์ต่างๆนะไม่ได้เฉพาะคำความโกรธอารมณ์ไหนก็ได้เมตตานี่มันจะใช้ได้เฉพาะจอดจงก็ความโกรธความเกลียความพยาบาทนะแต่ว่ามีทรามไม่อีกตัวหนึ่งนะที่ใช้ได้นะกับทุกอารมณ์นะ ที่บีบคั้นหรือว่าสร้างความเจ็บปวดให้กับจิตใจนะซึ่งนั่นคือสตินะสติในที่นี้หมายถึงว่าความรู้ทั น, นรู้ทันในอารมณ์ที่เกิดขึ้นนะคนเราเวลาทุกเนี่ยไม่ว่าทุกเพราะโกรธทุกเพราะเศร้าทุกเพราะเสียใจเนี่ยเรียกว่าแทบจะลอยทั้งลอยเลยไม่รู้ตัวนะ ไม่รู้ตัวว่ากําลังทุกข์นะอาจจะรู้ตัวเป็นแว บ, บๆแต่เราก็ลืมตัวใหม่และพอลืมตัวนี่นแหละนะถึงถึงทำในสิ่งที่ไม่ควรทำนะเช่นโกรธนะก็พูดจาด่าว่านะใช้คำหยาบคายหรือว่าถึงขั้นทําลายข้าวของบางทีไม่ใช่ข้าวของของคนอื่นนะข้าว ข, ของตัวเองนะ คว้างโทรศัพท์หรือว่าถีบโทรทัศน์พังไปเลยนะบางทีก็เตะรถนะเวลาโกรธถ้าคนเราเวลาทาธรรมดาทำเวลาในย่าปกติไม่ทำงั่นหรอกนะแต่พอกดแล้วมันทำได้ทุกอย่างนะว่ารูปตีลูกแรงๆหรือว่าด่าพ่อนะหรือว่าทําร้ายพี่น้องก็ได้นะอย่างที่เล่าไปสองสาวันก่อนนะ เอาคัตเตอร์ปาดคอพี่ชายนะ ท, ทั้งที่เมื่อ2วันก่อนยังบอกให้พี่ชายเลิกเหล้าพอพี่ชายไม่ยอมเลิกเหล้าแถมทะเลาะเบาแวง้งตัวเองก็ดา่าด่าก็เลยเกิดวิวาทกันพี่ชายจะเอาเอาเอาเอ า, เอาขวานมาจามเพื่อนห้ามาไว้ตัวเองก็ควักคัตเตอร์มาเพื่อจะป้องกันตัวไอควักคัตเตอร์มาป้องกันตัวนี่มันก็ยังพอทํเนาเนอะ เพราะอีกฝานึงใช้ขวานแต่ว่าพอพี่ชายนี่นะเนื่องจากเมานะก็เลยสลบไปหนะลบห ล, ล, ลับไปเพื่อนที่ห้ามอยู่ก็ไปเรียบเรียกรถมาเพื่อจะพาไปโรงพยบาบาลไอ้ตอนที่พี่กับน้องอยู่กันสองต่อ2เนี่ยน้องก็ซึ่งทีแรกก็ปรารถนาดีกับพี่นะแนะนำพี่ให้เลิกเหล้า แต่ตอนนี้กับโกรธพี่เห็นพี่หลับอยู่สลบนะไม่มีใครอยู่ด้วยเนี่ยก็เอาคัตเตอร์ปาดคอเลยตายตายแล้วก็เลยพอฆ่าเสร็จก็เลยนึกได้ว่าทำอะไรลงไปก็เลยนั่งหน้าเศร้ารอตำรวจมาจับนะอันนี้เราลืมตัวนะลืมตัวเพราะความโกรธทั้งที่เริ่มต้นด้วยความปรารถนาดี แต่ประมาณนี้กลับทําร้ายเขาถึงตายเลยอารมณ์เศร้าก็เหมือนกันนะคนเวลาเศร้าเนี่ยไม่ใช่ว่ารู้ตัวนะเจ้าจุกนะไม่กินไม่นอนเพื่อนจะพาไปเที่ยวก็ไม่ยอมไปอยากจะปล่อยใจให้มันจมดิ่งลงไปในความเศร้าถ้า ง, างทังทีนะ่ในยาปกติก็รู้นะว่าทํางั้นไม่ดีแต่พอเศร้าแล้วเนี่ยมันก็ลืมตัว นะอันนี้เรียกว่าทำร้ายตัวเองนะคนเราทำร้ายตัวเองบ่อยทั้งที่เขาบอกว่ารักตัวเองรักตัวเองแต่ทำร้ายตัวเองเป็นประจำโดยการปล่อยให้ใจนิจมอยู่ในอารมณ์แต่อารมณ์เหล่านี้เนี่ยก็อย่างที่บอกนะมันก็เหมือนกับฟ้านะที่มันมืดนะแต่ว่ามันสามารถจะกลายเป็นฟ้าที่สว่างได้ถ้ามีสติรู้ทันนะ อ, อาจาจรโน้ตนี่นั่นเคยเล่านะสมัยที่เป็นนักศึกษาปีสี่ คณะสังคมธรรมศาสตร์นี่ก็มีกิจกรรมนึงที่ต้องทำคือไปฝึกงานนะตอนนั้นนักศึกษาคนนี้ก็อยากจะไปฝึกงานกับองค์กรชาวบ้านอย่างเช่นภาคอีสานนี่มีเยอะนะที่เขาทำงานพัฒนาชุมชนแถวสะกลมั่งแถวอูบลบั่งแต่ว่าอาจารย์ที่ปรึกษานี่เห็นอีกแบบนึงว่าอยากจะให้ไปฝึกงานกับหน่วยงานราชการ กรมประชาสงเคราะห์หรือว่ากรมแรงงานอะไรทำนองนี้ก็คุยกันตกลงกันไม่ได้สุดท้ายก็ปนีปนน้อมก็ว่าไปทางานช่วยชาวเขาแล้วกันไปฝึกงานช่วยชาวเขาก็นึกว่าทีแรกก็นึกว่าจะไปทำงานกับองค์กรเอ็ NGO ที่ก็ช่วยชาวเขาซึ่งมีเยอะนะมันจะไม่ต้องเป็นองค์กรชาวบ้านก็ได้นะองค์กรอของเออ แต่พอไปถึงเชียงใหม่จริงๆปรากฏว่าอา้าวอาจารย์ให้ไปทางานกับไปฝึกงานกับกรมประชาสงเคราะห์ซึ่งทำงานเกี่ยวชาวเขาพอรู้ความจริงเขาก็โกรธไม่พอใจนะความโกรธก็เรียกว่ารุมเร้ารังความจิตใจนะตลอดทั้งวันนะจนค่ำคืนก็ยังก็ยังหมกมุ่นกับเรื่องนี้นะ วันรุ่งขึ้นนะอาจารย์ที่ปรึกษามาแต่คนละคนกับที่ได้มีข้อโต้แย้งกันพอเจออาจารย์ที่ปรึกษานี้นะนักศึกษาก็ไปต่อว่าอาจารย์นะต่อว่าอาจารย์ที่บางไงก็ไม่ยอมฟังนะเพราะว่ามีความไม่พอใจมากนะแต่อาจารย์ก็ดีนะอาจารย์ก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ต่อว่านักศึกษานะ พยายามชี้แจงแต่นักศึกษาก็ไม่ฟังก็ต่อว่ากันอยู่นานนะจนทังหยุดจุดหนึ่งอาจารย์ก็พูดขึ้นมาเลยว่าสุทธิาศาสตรเนี่ยคิ้วเธอเปูเป็นโบเลยนะคิ้วเธอปูเป็นโบเลยพอได้ยินแบบนี้นี่นักศึกษานี่ได้สติเลยนะตอนนั้นไม่รู้ตัวนะว่ากโกรธนะตอนนั้นไม่รู้ตัวว่า หน้าดำขําเครียดแล้วพออาจารย์ทับแบบนี้ขึ้นมาเนี่ยได้สติเลยพอได้สติปุ๊บนี่ความโกรธนี่มันหล่นหายไปเลยนะมันเหมือนกับฟ้าเนี่ยฟ้าที่มันมืดนะนะหรือว่าฟ้าที่มันหมองมัวเนี่ยอยู่ดีมันสว่างขึ้นไปเลยนะความโกรธมันหายไงเพราะอะเพราะได้สตินะ อัตชนกราวันเนี่ยเป็นเหตุการณ์ที่ทำให้ได้เห็นอนิสงของสตินะว่ามันทำให้อนะารมณ์ความทุกข์เนี่ยมันหายไปเลยนะอันนี้เรียกว่าเป็นตัวช่วยที่สำคัญมากนะถ้าเราอยากให้ใจของเราเนี่ยนะมันพลิกนะจากใจที่หมองใจที่มัวใจที่ร้อนรุ่ม กลายเป็นใจที่สว่างโปร่งโล่งนะสตินี่มันช่วยได้มากทีเดียวเพราะว่าสติมันทำให้เกิดความรู้ตัวไอตอนที่อยู่ถูกความงามได้อารมณ์นี่ไม่รู้ตัวนะเรียกว่าหลงแล้วหลงไปแล้วลืมตัวไปแล้วนะแต่พอมีสติปุ๊บเนี่ยนะรู้ทันอารมณ์รู้ว่าความโกรธเกิดขึ้นนะ ตอนนั้นเห็นความโกรธนะมันก็หลุดออกมาจากความเป็นผู้โกรธ ถ, ถ้าไม่มีสตินะั้นมันยังก็ยังจมอยู่ในะความเป็นผู้โกรธอยู่แต่พอมีสติปุ้บนี่มันออกมาจากความเป็นผู้โกรธนะเห็นความโกรธเกิดขึ้นพอเห็นปุ้บนี่วางเลยนะพอวางเนี่ยใจก็โล่งโปร่งเบานะนะพวกเรานี่ถ้าเราฝึกสติเราใจเห็นอั น, นิสงส์ของสติได้นะนะนะหลวงพ่อขมเขียนเนี่ยท่าน บางทีท่านก็ใช้คําว่าเจเอนะเจะเอกับความคิดเะเอกับอารมณ์นะเหมือนก็ว่าพออารมณ์มันพอเปิดประตูขึ้นมานะหรือว่ายืนอยู่หน้าประตูไอ้ความคิดหรืออารมณ์มันออกมาเนี่ยก็เจอนะพอเจอปุ๊บนี่มันหนีทันทีเลยอหรือจะเปลี่ยนได้เมื่อขอโมยก็ได้นะขโมยที่แอบเข้ามาในบ้านกําลังค้นหาข้าของอยู่ดีๆพอ เจอศพตากับเจ้าของบ้านเนี่ยมันถอยไปเลยนะเจ้าของบ้านนี่ไม่ต้องเอาปืนไปไล่เอาไม้ไปตีนะมันหนีไปเองเอารมณ์ความคิดที่ปรุงแต่งที่หลวงพ่อคำเขียนท่านใช้คำว่าลักคิดเนี่ยหรือว่าการปรุงอารมณ์เนี่ยนะที่มารบกวนจิตใจเนี่ยมันก็เหมือนขโมยนะแอบเข้ามาขโมยแอบเข้ามารังความ ขโมยนี่มันจะกลัวเจ้าของบ้านรู้นะพอเจ้าของบ้านรู้เมื่อไหร่เนี่ยมันก็จะล่าถอยหนีไปนะสติเมื่อรู้ทันอารมณ์ก็ทําให้จิตกลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวนะจิตที่เคยหลุ่มอยู่ในอารมณ์หรือจมอยู่ในอารมณ์นะนะมันก็กลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวเมื่อกลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวก็เกิดความรู ok ok ok ok ua, son, AH no ้สึกตัวขึ้นไอความรู้สึกตัวนี่แหละนะที่จะทําให้ อากุศลต่างๆเนี่ยนะมันล่าถอยไปมันยอมแพ้นะมันยอมแพ้ความรู้สึกตัวพอรู้สึกตัวเมื่อไหร่เนี่ยอากุศลทั้งหลายนี่มันล่าถอยไปเลยดันั้นการสร้างความรู้สึกตัวเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญนะทีเ่เราต้องประคองรักษาเอาไว้แต่มันไม่ใช่ว่าจะเกิดขึ้นมาได้เองนะต้องอาศัยสติน ะ, นะเราสังเกตเมื่อเวลาใจเราลอยเนี่ย ทำวัดก็ได้นะใจลอยหรือสร้างจังหวะแล้วใจลอยเนี่ยตอนนั้นไม่รู้สึกตัวนะตอนนั้นมันเข้าไปอยู่ในโลกแห่งความคิดไหลายแปอดีตมัง่งลอยแปอนาคตมัง่งไหลไปลอยไ ป, นะไปไปมาก็จมอยู่ในอารมณ์เศร้าโกรธรู้สึกผิดนะแต่พอมีสติปุป๊บเนี่ยจิตมันหลุดออกมาเลยมันถอนออกมานะหรือมันหลุดออกมาจากอารมณ์นั้นแล้วมันกลับมาอยู่กับเนื้อกับตัว ไอ้ตอนนั้นความรู้สึกตัวเกิดขึ้นก็จะเห็นเด่นชัดนะทำอะไรก็รู้นะให้เราเนี่ยพยายามสร้างสตินะความรู้สึกตัวไว้นะของมบบนี้มันต้องฝึกเอานะมันนึกเอาไม่ได้หรือแม้แต่ตอกย้ำตัวเองบ่อยๆว่านะฉันจะรู้สึกตัวฉันจะรู้สึกตัวฉันจะมีสติฉันจะมีสติฉันจะดูใจตัวเองฉันจะไม่ลืมกายไม่ลืมใจเนี่ย พูดย้ำแค่นี้นี่มันไม่ได้ช่วยนะเพราะว่าย้ำไปจะ ม, มาลืมลืมย้ำนะแต่ถ้าเราเจริญสติด้วยการปฏิบัติเนี่ยนะตามหลักสติปัฏฐาน4นะี่เนี่ยหรือว่าตามแนวทางที่หลวงพ่อเทียนนั่นสอนเนี่ยนะแล้วก็ที่หลวงพ่อคำเขียนได้มาถ่ายทอดเนี่ยมันไม่ต้องตอกย้ำกับตัวเองบ่อยๆนะแต่ว่ามันจะมีสติรู้ทันเองซึ่งเกิดจากการที่ฝึกให้รู้บ่อยๆรู้บ่อยๆรู้บ่อยๆ หม่ๆนี่มันใจลอยกว่าจะรู้ทันก็คิดไปแล้วสิบเรื่องนะแต่ว่าเราก็ไม่ท้อไม่ถอยก็ทำไปเรื่อยๆนะยกมือสร้างจังหวะเดินจงกรมรู้บ้างหลงบ้างไม่เป็นไรอย่าไปหน้าดำขําเคร่งนะอย่าไปลงโทษตัวเองเวลาใจเผลอใจลอยมันธรรมดาเวลาฟุงสร้างนี่ก็อย่าไปคิดว่ามันเป็นเราคนเดียวนะที่เป็นอย่างนั้น หรือคิดว่าฉันคงจะเจริญสติทำสมาธินะไม่ได้นะเพราะว่าฟุ้งซ่านเหลือเกินเป็นอย่างนี้ทุกคนนะเป็นอย่างนี้ทุกคนอย่ามองว่าความฟุ้งซ่านเป็นปัญหานะเมื่อใ่ก็ตามที่เรามองว่าความฟุ้งซ่านเป็นปัญหานั่นแหละปัญหามันเกิดทันทีเลยแต่ถ้าเรามองความฟุ้งซ่านเป็นธรรมดานะมันจะฟุ้งก็ฟุ้งไปแต่เราก็ทำไปเรื่อยๆนะใหม่ๆก็ฟุ้งซ่านไปสักเกบเก้าอ นะรู้ตัวแค่หนึ่งเปอร์เซไปเรื่อยๆมันก็จะรู้ตัวส0เอร์เซความฟุ้งซ่านเหลือเก้าสิบเปอร์เซนตไปอีกนะความหลงนะมันกินไปแปดสิบแต่ว่ารู้เนี่ยรู้ตัวนี่มันขยายพรมแดนมาเป็นยีนะ่สิบนการพัฒนาการของจิตใจเราจะเป็นอย่างนี้นะคือมันก็ค่อ ย, ค, อ ย, ค, อยค่อยรู้มากขึ้นแล้วก็หลง ที่เคยกินแดนคร่อมงำจใจก็ค่อยหดหายไปทีละนิดทีละหน่อยเพออีกทีเอามารู้ตัวอีกทีโอรู้ทันความคิดเพียงแค่คิดไปได้เรื่องสองเรื่องก็รู้ทันแล้วแต่ก่อนสิบเรื่องถึงค่อยรู้นะแต่ว่าทำไปทาไปนะทำไ ป, ำไปเรื่อยๆทำไปเล่นๆนะอย่างที่หลวงพ่อเทนสอนทำไปเล่นๆไปเราจะเห็นความเปลี่ยนแปลงได้เร็ว แต่ถ้าคอยจ้องคอยมองว่าฉันมีพัฒนาการอย่างไรบ้างเนี่ยฉันรู้ตัวแค่ไหนเนี่ยถ้าคอยไปจ้องนะไปจ้องอยู่นั่นแหละมันจะรู้สึกว่ามันช้าจะไม่ค่อยเห็นความเปลี่ยนแปลงเท่าไหรนะ่ความเปลี่ยนแปลงของเราเนี่ยของใจเราเนี่ยจากการปฏิบัติเนี่ยมันจะคล้ายกับเข็มเข็มสั้นนะของนาฬิกานะเข็มชั่วโมงอะ่ะเข็มชั่วโมงเนี่ยดูมันดูถ้าเรามองจะดูเหมือนว่ามันนิ่งนะไม่เคลื่อนเลย แต่ถ้าผ่านไปห้านาทีเราจะรู้เลยว่ามันเคลื่อนนะนักปฏิบัติหลายคนเนี่ยคอยเช็คคอยดูจิตอยู่ตลอดเวลามันมีสติเพิ่มขึ้นไหมดูมันทุกนาทีดูมันทุกชั่วโมงเนี่ยก็จะรู้สึกเอ้ยมันไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงแต่พอผ่านไปวันสองวันเนี่ยเราจะเห็นความเปลี่ยนแปลงได้เราจะสังเกตได้จิตนะของเราเนี่ยมันเคลื่อนช้าๆนะเหมือนกับเข็ม ชั่วโมงหรืออาจจะยิ่งกว่า น, นั้นอีกนะเหมือนกับทานน้าแข็งอาตมาได้ไปประเทศสวิสได้มีคนไทยที่นั่นก็ใจดีนะพาไปพาไปเข้าไปในขึ้นไปบนเขาสูงเลยนะขี่ม้าปกคลุมเพื่อจะได้ไปดูทานน้ําแข็งแล้วก็เป็นโชคด้วยเพราะว่าไม่ใช่ว่าจะได้ดูสามารถจะขึ้นได้ทุกวันแม้ว่าจะเป็นหน้าร้อน คือมันขึ้นอยู่กับดินฟ้าอากาศดินฟ้าอากาศที่นั่นแม้หน้าร้อนเนี้ในยุโรปเนี่ยมันก็เปลี่ยนแปลงเร็วนะวันหนึ่งสามฤดูเลยก็มีบางเอิญวันนั้นเนี่ยอากาศดีแดดใสนะฟ้าเปิดนะก็เลยพาขึ้นไปไปเยี่ยมวัดไทยไปเยี่ยมวัดพุทธนะที่เล่าเมื่อวานวัดธรรมปาละที่คุนเดนสแตกแล้วก็ต่อไปเอ็กซิฮอนนะแล้วนั่งเคเบิ้ลขึ้นไปนะขึ้นเคเบิลไปนะ โมดเป็นก็นานทีเดียว น, นะก็ได้ไปเห็นฐานน้าแข็งซึ่งใหญ่มากฐานน้าแข็งเนี่ยนะมันอยู่ข้างล่างเราอยู่บนภูเขาเนะี่ยมีหิมะครอบคลุมะเต็มไปทั้งเขาพโพลนไปหมดมองข้างลางเป็นเป็นฐานน้าแข็งซึ่งใหญ่มากรอบตัวมันเบล่งเบนไปหมดเลยฐานน้าแข็งเนี่ยนะดูมันนิ่งนะ แต่ที่จริงมันเคลื่อนมันเคลื่อนตลอดเวลาแต่มันวันนึงมันเคลื่อนได้แค่ประมาณสักหกสิบเจ็ดสิบเซนแต่ปีหนึ่งมันเคลื่อนไปได้สองรอยเมตรดูเฉยเฉยเงี่ยนะดูทั้งวันเนี่ยรู้สึกว่ามันไม่เคลื่อนเลยที่จริงมันเคลื่อนมันมีความเปลี่ยนแปลงจิตเราที่เกิดจากการปฏิบัติก็เหมือนกันนะมันก็มีพัฒนาการแต่มันช้านะแต่ว่า ถ้าเราไม่เร่งไม่รีบหรือว่าไม่คอยไปจ้องไปมองเนี่ยปะเดี๋ยวก็จะเห็นความเปลี่ยนแปลงของมันเหมือนกับเราดูเข็มนาฬิกาถ้าเราจ้องอยู่เรื่อยๆเนี่ยเราก็เห็นว่ามันนิ่งแต่เราพอลองไม่สนใจมันสัก5้านาทีสินาทีหรือชั่วโมงเนี่จะเห็นเลยนะมันเคลื่อนจริงๆมันเคลื่อนได้เยอะด้วยนะปฏิบัตินี่อย่าไปจ้องอย่าไปดูนะว่าไปได้ไกลแค่ไหนนอกจากจะไม่กล้องไม่ไม่จ้องไปดู อจิตใจของตัวเองแล้วเนี่ยไม่ปต้องไปดูนาฬิกาด้วยก็ได้นะบางคนก็คอยดูนาฬิกานั่นแหละ ว, ว่ามันตั้งใจว่าจะปฏิบัติครึ่งชั่วโมงหึงชั่วโมงก็ทําไปสักพักก็ดูนาฬิกากแล้วนะอย่าไปดูมันนะอย่าไปสนใจเพราะยิ่งดูเนี่ยมันก็จะยิ่งรู้สึกทรมานเพราะว่ารู้สึกว่าเวลามันผ่านไปช้าเวลาดูนาฬิกาแต่ละครั้งเราก็นึกอยากจะให้มันหมุนเคลื่อนไปเร็วๆนะ ความอยากนี่แหละทําให้ทุกข์นะความช้านี่ไม่ทําให้ทุกข์นะแต่ความอยากให้มันมันเคลื่อนเร็วๆนี่ยทําให้ทุกขนะ์อยากอะไรก็ทุกข์เมื่อ น, นั้นแหละอยากเมื่ อ, อไหรก็ทุกข์เมื่อ น, นั้นเพราะว่าไม่เห็นมันเป็นไปตามใจอยากก็ทุกข์ทันทีนอกจากไม่ต้องดูนากาแล้วก็ไม่ต้องดูคนอื่นด้วยนะอย่าไปดูคนอื่นมากนะเพราะว่าดูแล้วบางทีทําให้หงุดหยิดได้เหมือนกัน หลวงพ่อคันำเขียนท่านเล่าว่าสมัยที่ท่านเป็นคาราวาไปฝึกกับหลวงพ่อเทียนใหม่ๆนะท่านเป็นคาราวานะแต่ว่าพระแต่ว่าคนส่วนใหญ่ที่ไปปฏิบัตินีเป็นพระนะแล้วก็พอเป็นพระเนี่ยพระก็มักจะให้คาราวาเนี่ยทำโน้นทํานี่นะให้หลวงพ่อคำเขียนซึ่งตอนนั้นยังเป็นยังเป็นนายคำเขียนอยู่เนี่ยนะเป็นโยมเนี่ยขึ้นต้นไม้ไปเก็บมะม่วงบ้างละไปเก็บมะขามั้งละ่ะ นะเอามาให้พระเนะี่ยพระนี่ก็ใช้ใท่านอยู่เรื่อยเลยแล้วก็พระก็ไม่สำรวมคุยหัวเลาะเล่นกันตอนนั้นเนี่ยท่านก็รู้สึกหงุดหงิดนะว่านี่เราจะมาปฏิบัติทำไมพระใช้ทํโน้นทำ น, น, ทำนี่แล้วก็ถึงกับมองว่าพระนี่ไม่มีศีลนะพระไม่มีศีลเหมือนเราเลยนะให้เรานี่ตั้งใจปฏิบัตินะแต่ว่าพระนี่หัวเลาะเล่นกันคิดแบบนี้ท่านทุกเลยนะ แต่ว่าได้สตินะสักพักท่านก็ได้สตินะก็บอกว่าแเ้าจะาไปดูคนอื่นทําไมนะดูคนอื่นแล้วเนี่ยจะเครียดจะหงุดหงิดเปล่าเล่าดูหลวงพ่อเทียนดีกว่านะท่านก็หามาสนใจหลวงพ่อเทียนแล้วก็ปฏิบัติตามที่หลวงพ่อเทียนสอนส่วนคนอื่นเขาจะปฏิบัติยังไงเป็นเรื่องของเขานะก็ทําให้ท่านเนี่ยเกิดความเพียรจิตก็ตั้งมั่นนะทำไปได้ยี่สิบวันก็เห็นผลนะรู้รูปนาม นี่ถ้าเกิดว่าท่านยังทำเหมือนเดิมนะคือคอยหงุดหงิดกับพระนะที่เล่นหัวกันนะใช้ให้ท่านทำโนนทำนี่เนี่ยเพอเพท่านก็อาจจะไม่ได้เกิดความก้าวหน้าในการปฏิบัติเลยนะแต่พอปล่อยวางไนดะ้ไม่สนใจนะดูแต่ครูบาอาจารย์นะให้นักปฏิบัติเนี่ยนะเรา ถ้าเราไปดูคนอื่นมากเนี่ยบางทีเราก็หงุดหงิดนะว่าทาไมเขาไม่ทําหรือบางทีทําไมเขาเล่นกันนะบางทีพระใหม่เนี่ยตั้งใจมาปฏิบัติก็เห็นพระเก่านะไม่ปฏิบัตินะก็เกิดความขุ่นมัวหรือว่าโยมนั้งใจมาปฏิบัติเห็นพระเล่นกันนะพระพูดคุยกันนะก็ ทำให้ท้อได้นะถ้ามีความรู้สึกแบบนี้ก็ให้ตั้งจิตสั่งหมายนะว่าอย่าไปสนใจนะนะพระจะทําอย่างไรก็เป็นเรื่องของท่านไปเราก็ปฏิบัติของเรานะอยู่กับปัจจุบันไปอย่าส่งจิตออกนอกนะเดี๋ยวการปฏิบัติของเราเองก็จะคืบหน้านะนะพระพุทธเจ้าบอกว่านะอยู่คนเดียวก็ให้รู้สึกมันก็อยู่หลายหลายคน อยู่หลายคนก็รู้สึกเหมือนกับว่าอยู่คนเดียวนะอยู่คนเดียวให้รู้สึกเหมือนกับอยู่หลายคนคือว่ารู้สึกไม่กลัวแม้อยู่ในป่าคนเดียวนะจิตใจก็อบอุ่นนะเหมือนกับว่ามีเพื่อนอยู่ด้วยแต่คั้นเวลาอยู่กัหลายคนเนี่ยก็ให้นึกเสียว่าเราอยู่คนเดียวนะใครเขาจะทำอะไรใครเขาจะส่งเสียงดังใครเขาจะปฏิบัติไม่ปฏิบัติเป็นเรื่องของเขาเราจะเอามาเป็นอารมณ์นะ ถ้าเราฉลาดนี่เราต้องตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติของเรานะไม่ใช่ไปคอยดูคนอื่นนะอันนี้เราก็เรียนจากหลวงพ่อคำเขียนได้นะว่าท่านก็หลุดจากอารมณ์หงุดหงิดนะเพราะว่าท่านนะไม่สนใจแล้วใครก็จะปฏิบัติไม่ปฏิบัติฉันก็ทําของฉันไปนะก็ศึกษาจากครูบาอาจารย์นะถ้าความก้าวหน้าการปฏิบัติก็จะเกิดขึ้นได้อา้าวคำนี้ก็พูดกันเท่านี้นะะกรับพระ